ตรธาองเวจายุจิยาโอวาุตละซอหะตรธาองเวนจายุจิยาโอวุตละซอหะตราองเวนจายุจิยาโอวาคุตละซหะตราองเวนจายุจิยาโอวาุตละซอหะตธาองเวนจายุิยาโอวาคุตละซอหะตราองเวจายุจิยาโอวาคุตละซหะ